วันนี้ไม่ต้องบอกก็รู้นะว่าเป็นวันออกพรรษาคอยมานานแล้วนะแต่ที่จริงเรามีวันนี้เป็นในวงพระนี่เขาเรียกว่าวันมหาปวารณาชาวบ้านนี่ก็รู้จักแต่วันออกพรรษาแล้วก็คอยนะคอยพระออกพรรษา พ่อแม่ก็คอยลูกจะศึกหาราเพศกลับมาครอบครัวก็คอยนะแต่ว่าสำหรับพระนี่วันนี้มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าวันมหาเปาปรณาไม่ใช่เปารณาเฉยๆนะแต่เป็นมหาเลยคือเป็น ป, นปรรณาที่สำคัญมากเปารณาแปลว่าอะไรนะ ปวาวณาความหมายนีก็คือยอมให้ขออย่างญาติโยมนี่บอกว่ า, าหนูขอปวาวณาค่ารถค่าเดินทางคือผมขอปววนาค่าอาหารคือยอมให้ขอได้ถ้าต้องการเมื่อไรก็มาขอคือถ้าโยมนี่ไม่ปาวนานี่ไปขอเขาไม่ได้นะ ขอไม่ได้แล้วแต่ว่าเขาจะให้อะไรมาถ้าเขาไม่ให้ก็ก็เป็นเรื่องของเขานะพระเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปขอแต่ถ้าเกิดว่าโยมปวารนาเมื่อไหร่ก็หมายความว่าเขายอมให้ขอเราก็ไปเอ่ยปากขอเขาได้แล้วแต่ว่าเขาปรารนาเรื่องอะไรหรือปรารณาได้นานเท่าไหร่ ยัมีวินัยมีสีขาบอกว่าถ้าขอปรนน้าด้ยปัจจัยสี่เพียงสี่เดือนจะขอขอเพียงกำหนดนั้นเท่านั้นจะขอใเกินกว่านั้นไม่ได้จะขอปรนน้าปัจจัยสี่ก็ขอได้แค่ปัจจัยสี่จะขออย่างอื่นไม่ได้นะขอโทรศัพท์มือถือขออะไรไม่ได้นะอันนี้ความหมายหนึ่งคือปรนน้ายอมให้ขออีกความหมายหนึ่ง อันนี้สำคัญเหมือนกันก็คือยอมให้ว่ากล่าวยอมให้ตักเตือนนะยอมให้ว่ากล่าวยอมให้ตักเตือนทันนี้ปราณาแล้วปราณากับใครก็ตามก็หมายความว่ายอมให้คนนั้นว่ากล่าวตักเตือนได้เมื่อเมื่อเห็นอะไรที่ไม่ถูกต้องวันมหาปราณาเนี่ย มีความหมายถึงในแง่นี้นะคือยอมให้ว่ากล่าวตักเตือนได้ <c oughs> วันสุดท้ายของการจำปัร ษ, ษานี่พระก็จะมาปรณาต่อกันถ้านวะ่าเป็นสังฆกรรมอันหนึ่งนะสังฆกรรมนี้ก็ <c oughs> ก็ต้องทำในโบสถ์หรือในในสถานที่ที่สมมุติว่าเป็นโบสถ์นะแล้วก็ต้องมามาทำร่วมกัน พอเป็นสังกกรรมแล้วใครขาดก็ไม่ได้ไม่เหมือนทำวัดนะไม่เหมือนบิณฑบาตนี่ขาดได้แต่ถ้าเป็นสังกกรรมขาดไม่ได้โดยเฉพาะถ้าเป็นสังกกรรมอย่างเช่นปฏติมโมกหรือว่าปวารณาสังกปวารณานี่สําคัญมากขนาดที่ว่าปกติแล้วเนี่ยพอถึงวันพระใหญ่ก็ต้องมีการลงโบสถ์หรือว่าสวดปฏิมโมก แต่ว่าวันนี้เป็นวันเดียวในรอบปีที่อนุญาตให้ให้งดนะแล้วก็เอาพิธีกรรมที่เรียกว่าันปารณาเนี่ยมาแทนพิธีปารนาจึงมีความสำคัญมากปีหนึ่งมีแค่วันเดียวคือวันนี้นะเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าวันมหาปรารณาอันนี้ก็ทำเฉพาะพระ อันนี้ถ้าพูดถึงพิธีกรรมนะพระท่านก็จะจะกล่าวเป็นภาษาบาลีนะก็แปลความหมายว่านะข้าพเจ้าขอปราณนากับมูสงว่าถ้าเห็นก็ดีถ้าได้ยินก็ดีหรือแม้แต่ระแวงสงสัยก็ดีนะก็ขอให้ว่ากล่าวข้าพเจ้า ด้วยความเอ็นดูเมตตาเมื่อข้าพเจ้าได้ยินแล้วก็จะนำไปปรับปรุงแก้ไขนะก็พูดถึง3ามครั้งนะเพื่อเป็นการตอกจำว่าตั้งใจจริงนะยอมให้ว่ากล่าวจริงๆนะอันนี้ก็ที่ ภาวนในวันนี้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าออกภรรษาแล้วก็อาจจะแยกแย้ายกันไปพระท่านก็จะไม่ได้อยู่กันเป็นกลุ่มเป็นหม่ก็เลยภารณาไว้ก่อนหากว่าได้มาพบกันครั้งต่อไปในโอกาสต่อไปแล้วเกิดว่าได้ยินได้เห็นหรือระแวงสงสัยว่าท่านนี้ท่านนี้ประพฤติตัวไม่ถูกต้องไม่ดีงาม ไม่เหมาะสมก็สามารถจะเข้าไปว่ากล่าวตักเตือนได้ครนี้ผู้ที่ปรนนธาไว้แล้วเนี่ยก็ต้องพร้อมนะไม่ใช่ปรนนธาด้วยด้วยพิธีหรือทำเป็นพิธีอย่างเดียวแต่ว่าก็ต้องพร้อมนะพร้อมคือไม่โต้แยง้งนะไม่โต้แย้งอย่างเดียวไม่พอก็ นำไปพิจารณาแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขด้วยอันนี้เป็นหน้าที่ของผู้ที่ถูกว่ากล่าวนะตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่าพุทธศาสนาเนี่ยเราเน้นเรื่องการฝึกฝนพัฒนาตนโดยเพราะพระสงฆ์เนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่มามาศึกษาปฏิบัตินะการมาบวช น, นี่ถือว่ามาศึกษามาปฏิบัติ อันนี้ไม่เหมือนกับาศาสนาอื่นนะาศาสนาคริสต์เนี่ยก่อนจะบวชก็ศึกษาก่อนเช่นเข้าเข้าหาเิทยลัยหรือเข้าโ ร, ามมเเรางเรียนสา ม, มเณรก็เรียกว่าโรงเรียนสามเณรภาษาของทางฝ่ายคริสเขาเรียกว่าสา ม, มเณรลาลัยหมายความว่าเป็นเพคล้ายเป็นโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยที่สอนสอนจนจบแล้วเนี่ยถึงมาบวชได้พอบวชแล้วก็ทํางานได้เลย ก็คือทำงานเพื่อพระเจ้านะจะเป็นเรื่องพิธีอะไรก็ตามก็ทำได้เลยแต่ของพระเรานี่เราถือว่ามาบวชเนี่ยก็คือมาเพื่อศึกษาแต่ว่าไม่ได้ศึกษาทางโลกไม่ได้ศึกษาด้วยการอ่านตำราแต่ศึกษาตามหลักตรยสิกขาศนะีล ส, สมาธิปัญญาแล้วก็มีสิกขาบทสนะิกขาบทก็ คือบทศึกษานั่นเองสิกษาแปลว่าศึกษาสิกษาบทก็คือบทในการศึกษาศึกษาในที่นี้คือฝึกฝนพัฒนาท่านพระเหล่านี้ต้องเรียกว่าเป็นผู้ที่มาเพื่อรับการอบรมเพื่อมาศึกษาโดยเฉพาะศึกษาเพื่อให้เป็นอเศขบุคคลอเศขบุคคลคือผู้ที่ไม่ต้องศึกษาแล้วก็ได้แก่พระอรหันศึกษาเพื่อการลดละกิเลสนะ จนกระทั่งไม่มีกิเลสไม่มีความยึดถือในตัวตนจนสามารถที่จะเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีได้อย่างที่พูดเมื่อวานเห็นสิ่งที่งามก็มองว่าเป็นความไม่งามได้หรือเห็นสิ่งที่ไม่งามก็มองว่าว่าเป็นความงามได้อันนี้คือคุณลักษณะของอเซขาบุคคลนะาการฝึกฝนพัฒ น, นาตนเนี่ยมันก็ต้องอาศัยกะยะัลยาณมิตรด้วย นะไม่ใช่แค่มีความตั้งใจดีอย่างเดียวแล้วก็จะเดินหน้าลุยเดียวอย่างเดียวไม่ได้นะต้องมีกัละยาณมิตรอันนี้คือเหตุว่าพระสงฆ์นี่ต้องมาอยู่กันเป็นหมู่เป็นคณะไม่ใช่อยู่แบบลูสศีชื่อไพรยอยู่คนเดียวแต่ต้องอยู่กันเป็นคณะอยู่กันเป็นกลุ่มเรียกว่าสังฆะถึงแม้ว่าจะไปแยกย้ายหลีเล้นการปฏิบัติแต่ยังน้อยน้อยนะวันวันพระใหญ่ก็ต้องมา รวมกันเพื่อมาทบทวนสิกขาบทอันนี้เป็นเป็นเป็นลักษณะที่แตกต่างจากาศาสนาอื่นศาสาเช่นาศาสนาพราหมณ์ในเวลานะั้นศาสนาฮินดูสมัยนะั้นมันมีเฉพาะาศาสนาพราหมณนะ์ฮินดูนี่มาทีหลังอันนี้ก็เพื่อให้พระเราได้มาอยู่กันเป็นหมู่คณะมีกัลยาณมิตร เพื่ออะไรก็เพื่อให้กำลังใจแล้วก็เพื่อว่ากล่าวตักเตือนพระพุทธองค์ถือว่าการตักเตือนว่ากล่าวนี่เป็นสิ่งสาคัญอย่างพระองค์ก็ทำหน้าที่นี้นะอย่างที่ตรัดกับพระอนุนว่าเราจะไม่ทำกับท่านอย่างอย่างอ่อนโยนแต่ว่าจะทำจะขนาบและขนาบอีกเหมือนช่างปั้นดินนะปั้นหม้อนี่ทำกับหม้อ ต้องตกแล้วตบอีกขนาดและขนาดอีกอันนี้ไม่ใช่เป็นหน้าที่ของของพระพุทธเจ้ายอย่างเดียวแต่เป็นหน้าที่ของครูบาอจารย์และก็กัลยาณมิตรก็คือตักเตือนอันนี้ผู้ที่ได้รับฝังคําตักเตือนนี่ก็ต้องทําใจให้ให้เปิดกว้างให้ระ ล, ลึกว่าเขากาลังชี้ขุ่มทรัพย์นะบัณฑิตที่บัณฑิตผู้มีปัญญานะเมื่อว่ากล่าวตักเตือนก็ให้ อีกฝ่ายหนึ่งน้อมรับเหมือนกับว่ากำลังได้รับการชี้กลุ่มทรั์นะอันนี้นี่เป็นเป็นเป็นท่าทีหรือการวางใจของชาวผูด้โดยพระระสงค์เพราะฉะนั้นการปารนนานี่ถึงเป็นความสำคัญที่จริงแล้วเนี่ยอย่าว่าแต่กรยานามิตรว่ากล่าวตักเตอเลยแม้แต่ แม้แต่ผู้ไม่ประสงค์ดีหรือแม้แต่ผู้ที่ไม่ใช่กัลยาณมิตรเมื่อว่ากระตักเตือนนะเราก็ต้องฟังไม่โกรธนะธรรมดาคนที่ไม่มีการศึกษาไม่มีการศึกษาในที่นี้ไม่ได้หมายถึงไม่ได้ไปเรียนหนังสือในโรงเรียนอาวุธใหญ่นะแต่หมายนะมาถึงการฝึกฝนพัฒนาตน ผู้ที่ไม่มีการศึกษาหรือไม่มีการพัฒนาตนเนี่ยเมือ่อถูกว่ากล่าวถูกตำหนิก็จะโกรธฮะแต่พระพุทธองค์ก็ตรัสว่านี่อย่าไปโกรธนะพราถ้าโกรธแล้วนี่เราจะเราจะรู้ได้อย่างไรว่าวาจาของเขาเป็นสุภา ษ, ษ, ษ, ษิตนะสุภา ษ, ษิตก็คือมีประโยชน์น่ารับฟังแล้วนะคนเราพอโกรธแล้วเนี่ยมันก็ อารมณ์มันก็ครอมงามจิตใจนอกจากจะทําให้เป็นทุกข์แล้วก็ยังทําให้ไม่ได้ประโยชน์ด้วยเสียทั้งสองอย่างนะคือเป็นทุกข์เพราะความโกรธแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์จากคําแนะนําหรือตักเตือนหรือแม้แต่คาว่ากล่าวแม้แต่คำว่ากล่า ว, า, กาวนี้ก็มีประโยชน์นะมีประโยชน์หลายอย่างมีประโยชน์ในแง่การฝึกใจเราฝึกเรื่องันติ รนะาะถ้าไม่มีขันติก็โกรธฝึกให้เรามีสติเพราะถ้าเราไม่มีสตินั้นะเราก็โกรธเหมือนกันนะฝึกให้เราเปิดใจรับฟังความเห็นที่ไม่ตรงกับเรานอกจากฝึกใจแล้วเนี่ยมันยังสอนเราได้ด้วย สอนในที่นี้หมายถึงว่าการรับฟังหาประโยชน์จากสาระที่เขาพูดถึงแม้ว่าคำว่ากล่าวเนี่ยมันจะมันจะเต็มไปด้วยอารมณ์เต็มไปด้วยความมุ่งร้ายแต่ลองมองมองดีๆก็าอาจจะเห็นประโยชน์นะจากคำว่ากล่าวนั้น เช่นทำให้เราได้เห็นตัวเราอีกแง่มุมหนึ่งซึ่งอาจจะนึกไม่ถึงมาก่อนแม้แต่เพื่อนก็อาจจะไม่เคยพูดในมุมนี้คือเพื่อนบางทีเขาก็ไม่กล้าตินะเพราะว่าเกรงใจนะชมมาได้แต่เพื่อนบางทีก็ไม่กล้าติกลัวจะผิดใจกันแต่ว่าคนที่เป็นคนที่ไม่ใช่เพื่อนเนี่ยเขาไม่เไม่เกรงใจนะบางทีเขาก็พูดตรงๆง ไอสิ่งที่เขาพูดตรงนี้อาจจะอาจจะมีความจริงอยู่บ้างนะถ้าเรารักฟังไว้เราก็จะได้เห็นตัวเราเองอีกแง่มุมหนึ่งเห็นแล้วเอาไปทำอะไรเห็นแล้วก็เอาไปปรับปรุงตัว่ไม่ใช่เห็นแล้วนี่เอาไปผูกใจเจ็บนี่ไม่ใช่าคาว่ากล่าวตักเตือนก็มีประโยชน์ทำให้เห็นตัวเองก็เปิดช่องให้มีการพัฒนาปรับปรุงตัวเองอันนี้แหละที่พระเจ้าเรียกว่าเป็นการชี้ขุมทรัพย์ นะคุมซ้ำนี้ไม่ใช่แต่เพื่อนเท่านั้นที่จะชี้ได้แม้แต่คนที่เป็นศัตรูก็อาจจะชี้ได้เหมือนกันนะันั้นผู้ชาดก็ต้องต้องเปิดใจรับอย่างมีสติแล้วก็อย่างมีขันตินะคำด่า มันยังมีประโยชน์อีกอย่างนึงก็คือทำให้เราได้รู้จักคนด่ามากขึ้นว่าเขาเป็นใครเขามีนิสัยใจคอยอย่างไรนะเราก็จะได้รู้ว้ว่าเออเขาเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะเราก็จะได้ปฏิบัติกับเขาอย่างถูกต้องเช่นถ้าเขาเป็นคนที่เจ้าอารมณ์เอาแต่ใจตัวเราก็จะได้วางระยะห่างหรือเขาเป็นคนที่ด่วนสรุปนะ เราก็จะได้ระมัดระวังเวลาเขาพูดต่อไปเขาพูดอย่างโน้น อ, อย่างนี้เราก็จะได้ระวังว่าเขาเป็นคนที่มีสมองแค่นี้มีเหตุผลแค่นี้เราก็จะได้รู้ว่าจะฟังหรือให้น้ำหนักกับเขาแค่ไหนอันนี้ก็เรียกว่าได้ประโยชน์นะคือการที่คนเราจะลุกจากใครเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ถ้าเขาเปิดเผยตัวเองด้วยการว่ากล่าวด้วยถ้อยคารุนแรงเราก็จะได้รู้ว่าเขาเป็นคนอย่างนี้ นะเราก็จะได้มันระมัดระวังเวลาพูดคุยออกับเขาก็จะพูดก็จะรู้ว่าควรจะพูดแค่ไหนนะอะไรที่ควรพูดอะไรไม่ควรพูดอย่างน้อยเราก็จะรู้ว่าเขาเป็นบัณฑิตรหรือเปล่าถ้าเขาเป็นบัณฑิตก็เข้าใกล้ถ้าเขาเป็นไม่ใช่บัณฑิตนะเราก็จะได้วางระยะห่างอย่างเช่นถ้าเรารู้ว่าเขาเป็นคนพาเราก็ไม่ไม่ครบเลยนะก็เรื่ อันนี้ในเมรุคนลสูตรข้อแรกอาเสวานาจับพาลานังข้อแรกเลยคืออย่าไปคบคนพาลคบในที่นี้หมายถึงว่าคบหาสมาคมนะแต่ว่าอาจจะเกี่ยวข้องกันได้มีธุระก็เกี่ยวข้องกันแต่ไม่ใช่คบหาถ้าคนที่ควรครบหาคือบัณฑิตนะคำประกาศตักเติมก็มีประโยชน์ตรงนี้ลองมองให้เห็นนะอย่าเอาแต่อารมณ์โกรธซะก่อนถ้าโกรธแล้วก็ไม่เห็นว่าจะได้ประโยชน์อะไร ให้คำว่าการตักตัวนยังมีประโยชน์อีกอย่างคือสอนเราเรื่องโลกธรรมโลกธรรมก็คือมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยบมียศเสื่อมยศแล้วก็สารเสริญนินทาอย่าไปคิดว่ามันจะถึงแม้เราจะทําดีแค่ไหนอย่าไปคิดว่ามันมีแต่คําสารเสื่นสารเสริญกับนินทามันของคู่กันเหมือนกับหน้ามือกับหลังมือใครที่หวังแต่คําสารเสริญไม่หวังไม่เอาคําตําหนิไม่เอาคำ นินทานี่เป็นไปไม่ได้เหมือนกับว่าจะเอาแต่หน้ามือหรือแต่ไม่เอาหลังมือนะเราก็ต้องรู้จักว่ามันมันเป็นเช่นนี้เองแต่คนธรรมดาเนี่ยก็จะหลงเพลินในคาสารเสริญพอเจอคำตาหนิเจอคาวิจารณ์ก็รับไม่ได้อย่างดาราเนี่ยดารานี่คนอยากเป็นดาราเพราะหวังคาชมคาสารเสริญ แต่เขาไม่รู้ว่าเนี่ยมันมีคําตําหนิมันมีคำำําต่อว่าพวงติดมาด้วยเสมอไปฉะนั้นดาราหลายคนนี่พอถูกซุบซิบดินทาในตามหน้าหนังสือพิมพ์ก็ทําใจไม่ได้เพราะไม่ได้เตรียมใจไว้ก่อนไปคิดแต่ว่าโอ้ดารานี่จะมีแต่คําชมอย่างเดียวอันนี้แสดงว่าเป็นผู้ที่ไม่รู้จักโลกธรรมไม่เข้าใจโลกแล้วมันไม่ใช่ดาราอย่างเดียวนะ นักปฏิบัติธรรก็เช่นกันหรือว่าคนทั่วไปก็เช่นกันนะมันไม่ใช่มีแต่คําชมอย่างเดียวมันต้องมีมันต้องเจอมันมีคําดินทาคาําว่ากล่าวมาพร้อมกันเสมอไปให้เราเจอคําดินทาก็ดีก็เตือนใจให้เรารู้ว่าเออโลกนี้มันมีทั้งบวกและลบนะมันไม่ใช่มีแต่สิ่งที่น่าพอใจอย่างแต่สิ่งที่ไม่น่าพอใจก็มี เราจะไปหลงติดคําชมนะพอเราหลงติดคําชมเมื่อไหร่พอเจอคําดินทาว่ากาล่าวเราก็จะทุกข์ก็ฝึกใจให้ปล่อยวางได้นะฝึกใจให้ปล่อยวางเราก็เป็นการช่วยลดละตัวตนได้ด้วยจะพิสูจน์ว่าเราลดละตัวตนได้แค่ไหนก็ต้องเจอคําวิจารณ์เจอคําว่ากล่าวในหน้าที่ของพระนี่เราก็มีหน้าที่เพื่อพัฒนาตน ที่จรงมันไม่ใช่หน้าที่ของพระอย่างเดียวเป็นหน้าที่ของชาวพุทธด้วยนะชาวพุทธที่แท้นี่ก็ต้องพัฒนาตนไม่ว่าจะอยู่ในเพศไหนในสถานะไหนก็ต้องพัฒนาตนขัดเกลาวตนเองนะขัดเกลานี่ก็เป็นเรื่องการลดการละขัดเกล้าให้สนิมมันออกไปนะให้สิ่งพอกผุมันออกไป บางคนคนธรรมดานี่ก็อาจจะไม่อยากขัดเกลารตัวเองเท่าไหร่เพราะมันเจ็บเพราะมันเหนื่อยเจอคนอื่นขัดเกลารบ้างก็ต้องก็ดีเหมือนกันแล้วคนที่จะขัดเกลาร์ได้นี่ไม่ใช่มีแคลคูบาจ่จายหรือกิริยนัมิ ต, ตบางทีคนอื่นก็ช่วยขัดเกลารเราได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อพิจารณาอย่างนี้แล้วว่าคําว่ากล่าวนี่มีประโยชน์ทั้งสมสถานคือทําให้เรารู้จักตัวเองทําให้เรารู้จักคน คนพูดแล้วก็ทำให้เรารู้จักโลกทำให้เราเข้าใจโลกธรรมและจะได้ไม่ยึดติดกับมันปล่อยวางได้อันนี้เป็นเป็นเป็นสิ่งที่ผู้ถูกวิจารณ์ถูกว่ากล่าวควรจะน้อมพิจารณาอยู่เสมอแต่ในเวลาเดียวกันนะผู้ที่ว่ากล่าวหรือผู้ที่ตักเตือนก็ควรจะฝึกตนเหมือนกันนะ พระพุทธองค์ก็ก็แนะไว้ว่าเวลาจะว่ากล่าวใครเนี่ยก็ต้องคํานึงว่าหนึ่งต้องพูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์นะอย่าไปเอาคําเท็จคำํำต้องพูดความจริงต้องพูดความจริงอย่าเอาไปเอาคําเท็จมาว่ากล่าวแม้แต่เราได้ยินเป็นข่าวลือก็ต้องอย่าเพิ่งไปเชื่อต้องพิจารณาเป็นความจริงไหม ถ้าเป็นความจริงก็ถึงพูดข้อที่สองต้องเป็นสิ่งที่มีประโยชน์นะพูดแล้วไม่มีประโยชน์นะก็ต้องระ ง, งับไว้ก่อนสาพูดความจริงมีประโยชน์และต้องพูดด้วยความปรารถนาดีนะและสพูดด้วยถ้อยคำที่ไพเราะสุภาพปรารถนาดีแต่ดา่าเอาดา่าเอามันก็ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ถูกนะเพราะนั่นใช้อารมณ์ละ พูดความจริงเป็นประโยชน์หวังดีใช้ถ้อยคำสุภาพแล้วข้อสุดท้ายก็คือต้องพูดให้ถูกเวลาด้วยพูดให้ถูกเวลาถ้าพูดไม่ถูกเวลาหรือพูดไม่ถูกสถานที่นี่ก็มีปัญหาเหมือนกันเขากำลังเครียดเขากาลังโมโหเขากำลังเสียใจนี่ไปว่ากลาตักเตือนเขามนไ ม, ไ, มไม่มีประโยชน์ หรือแม้แต่จะแนะนำก็อาจจะไม่มีประโยชน์คนที่กำลังเสียใจอย่างนางกีสาโคตมีเสียลูกมาพระพุทธเจ้าก็ยังไม่ไม่สอนไม่แสดงธรรมแต่แต่ออกอุบายให้ไปหาเม็ดผักกาดจากบ้านที่ไม่มีคนตายจะได้อามาทำเป็นยาเพื่อชุบชีวิตของลูปนางให้ฟืน้นะต้องพูดอย่างนี้นะ นางกีสาวกติมีถึงจะเริ่มมีกำลังใจแต่พอไปพบความจริงว่าทุกบ้านเขาก็มีคนตายทั้งนั้นไม่มีบ้านไหนไม่มีคนตายก็เริ่มเข้าใจความจริงยอมรับความจริงได้ถึงตรงนั้นแหละพอกลับมาหาพระพุทธเจ้าพระองค์ก็เลยแสดงธรรมถึงตอนนี้ใจเปิดแล้วฟังธรรมก็เข้าใจบรรลุธรรมเป็นโสดาบันเลยอันนี้ก็เรียกว่าพระองค์อ่า รู้การละเทสะอันนี้ขนาดการแสดงธรรมนะไม่ได้มีการว่ากล่าวตักเตือนนะยิ่งถ้าเป็นการว่ากล่าวตักเตือนแล้วก็ยิ่งต้องดูเวด้วยล่ําเวลาดูการละเทสะด้วยไม่ใช่ไปพูดต่อหน้าทาลกํานันไปว่าเขาต่อหน้าทาลกํานันมันก็คนมันก็ต้องรู้จักรู้สึกอับอายก็ไม่ฟังก็จะโกรธแค้นแะไม่ฟังคําวิจารณ์ไม่ฟังคําคว่ากล่าว อันนี้ก็เป็นประโยชน์นะไม่ใช่แต่เฉพาะพระกับพระนะแม้กระทั่งกับเพื่อนหรือพ่อแม่กับลูกนะสามีกับภรรยาก็สำคัญอันนี้เพราะเห็นเนี่ยในคำปราณาถึงบอกว่าเนี่ยนะขอให้ท่านว่ากล่าวด้วยคำอ็นดนะูไม่ว่าท่านได้ยินได้เห็นหรือระแวงสงสัยก็ตาม ก็คอยปวดว่ากล่าวแก่ข้าพเจ้าด้วยความเอ็นดูนะความเอ็นดูคือความมีเมตตานั่นเองอันนี้ก็เป็นเป็นคุณธรรมของผู้ว่ากล่าวนะก็ต้องรู้จักรู้จักพูดอย่างมีเมตตาแล้วก็ไต่ตรองส่วนผู้ฟังก็ต้องพร้อมจะฟังโดยไม่ ไม่ไม่โต้แยง้งถึงแม้ว่าผู้พูดนั้นก็อาจจะไม่ได้พูดด้วยเมตตาอาจจะไม่พูดด้วยความหวังดีอาจจะพูดด้วยถ้อยคำที่ไม่สุภาพแต่หน้าที่ของผู้พัฒนาตนฝึกฝนตนก็คือว่ารับฟังรับฟังด้วยใจที่เป็นอุเบกขาได้ยิ่งดีอันนี้แหละคือความหมายของของความหมายและคุณค่าของ การปรารถนานะซึ่งมันไม่ใช่มีประโยชน์เฉพาะกับพระเท่านั้นนะกับคารวะก็มีประโยชน์เหมือนกันและที่จริงเนี่ยถ้าจะปรารณากันแล้วนี่ก็ไม่ไม่ควรแต่ปรารณนากันเฉพาะพระกับพระเท่านั้นนะแต่ว่าพระกับโยมก็ปรารณากันได้นะหมายความว่าญาติโยม น, นี่ถ้าเห็น พระคุณเจ้านะทำอะไรที่ไม่ถูกไม่เหมาะสมก็ว่ากล่าวไดนะ้ว่ากล่าวด้วยความปรารถนาดีหรือว่าแนะนำนะตักเตือนอย่าไม่ต้องถึงกับว่ากล่าวก็ได้ก็ต้องเป็นขั้นๆไปแนะนำตักเตือนอย่าไปคิดว่าพระเรานี่แตดต้องไม่ได้นี่เป็นความเข้าใจที่ผิดไม่ใช่เป็นความเข้าใจที่ผิดในหมู่คารวาท่านั้นบางทีพระก็เข้าใจแบบนั้นเหมือนกันว่าแต่ตัวเองนี คารวะมาแต่ต้องไม่ได้ไปคิดว่าตัวเองเป็นพระห่มเหลืองแล้วนี่นะเป็นผู้วิเศษขารวาเป็นผู้ที่ต่ํากว่าศีล น, น้อยกว่าจะมาวิจารฉันไม่ได้อันนี้เป็นความเข้าใจที่ผิดนะถึงแม้ว่าจะมีศีล น, น้อยกว่าแต่ก็สามารถจะแนะนําได้ยิ่งจะทําด้วยความปรารถนาดีแล้วนี่นะก็สมควรทํา แล้วก็พระเองก็ต้องทำใจต้องฝึกใจว่านี่ถึงแม้ว่าจะมีศีลมากกว่าแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นผู้ที่ถือตัวถือตนยิ่งมีศีลมากกว่าก็หมายความว่ายิ่งต้องอรับฟังคำวิจารณ์มากขึ้นเพราะว่าเราเป็นผู้ศึกษายิ่งมีความมุ่งมั่นที่จะศึกษาพัฒนาตนก็ต้องพร้อมที่จะรับการขัดเกลาด้วย อย่าไปเข้าใจว่านี่เป็นพาลแล้วนี่คารวะแต่ต้องไม่ได้แต่ต้องในที่นี้หมายถึงการแนะนำตักเตือนหรือว่ากล่าวคารวะก็เช่นกันนะก็อย่าไปคิดว่าชั่วช่างชีดีช่างสงในความคิดแบบนี้มันก็ทำให้ศาสนาพุทธไม่เจริญเพราะพุทธศาสนาก็อยู่ที่พุทธบริษัททั้งสี่ก็ต้องช่วยกัน นี่ถ้าเกิดว่าเราต่างคนต่างพร้อมที่จะน้อมใจรับฟังคำวิจารณ์ก็ถือว่าได้พัฒนาถือว่าได้มีคุณธรรมข้อหนึ่งก็คือเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายโสวจสัสรตาโสวจัสัตตานี่ก็เป็นคุณธรรมเป็นธรรมข้อหนึ่งในในมงคลสูตรด้วยนะถ้าเรามีความเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายเราก็เรียกว่าได้ได้รม หรือมีมงคลอันยอดเยี่ยมมงคลอันสูงสุดประการหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้เรานะเข้าใจตระหนักถึงคุณค่าของการปารนนา้วก็ถึงแม้เราจะไม่เอย่ยคำปรนาราหรือว่าได้ทำพิธีปรนาราแต่ก็ให้รับรู้ร่วมกันนะว่าเราพึงมีหน้าที่ต่อกันนะ ดูอ่างน้อยก็มีหน้าที่ที่จะมีท่านมีหน้าที่ในฝ่ายรับคําวิจารณคือหน้าที่ที่จะวางใจให้เป็นปกตินะส่วนคนวิจารณ์นั้นคนว่ากล่าวนั้นเขาจะพูดด้วยถ้อยคําอย่างไรอันนั้นก็เป็นเรื่องของเขาเราไม่สามารถจะเรียกร้องเขาได้แต่เราเรียกร้องตัวเราเองก็คือเราเปิดใจฟังนะอย่างอย่างมีสติแล้วก็มีคันตินะ ยิ่งถ้าเรามีปัญญาด้วยยิ่งดีนะอันนี้ก็เป็นเป็นมุมหนึ่งที่ไม่ค่อยได้พูดถึงกันเท่าไหร่นะในวันออกพรรษาแล้วก็เลยลืมลืมกันไปซะมันก็เลยกลายเป็นแค่พิธีกรรมเอาละก็นะพูดกันท่านี้ต่อไปก็ญาติโยมก็จะขอศีล